มียอม1ิมีประบายอยู่รวมทั้งสา ม, มนเนรนะมาว่ายลงโบทมีอยู่51ประโยชน์ไปอยู่สลานาจะ20ที่เหลือไปไหนไม่รู้ อากาศก็สบายดีนะมันเป็นล่องความเย็นซึ่งก็ว่าก็ว่ามาจากเทือกเขาแยมมาลเลยเลยมันจะเย็นสบายทั้งปีมาจากประเทศจีนจเย็นสบายทั้งปีมันก็จริงที่นี่เมษาที่นอนห่มผ้ากันอยู่ ถ้าจะเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ในประเทศไทยก็อันดับ3มอันดับ4นะคนอยู่มีความสุขอันดับ3อันดับ4นั่นแหละถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมวิธีการที่เราทําอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องของ การเคลื่อนการไหวแนวหลวงปูเทียนหรือว่ามีในพระสูตรก็เป็นหนึ่งในห้าวิธีที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลกแล้วใครมารู้เรื่องนี้ออกไปขยายผลดังทุกคนถ้ารู้จริงๆนะดังทุกคนมันขาดแคลนมากบุคลากรที่จะบอกกันต่อๆเรื่องตรงนี้ เรื่องวิธีการดับทุกข์เนี่ยตีคองร้องเป่าแล้วธรรมจักมันหมุนถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยธรรมจักมันหมุนจริงๆแต่ยุคนี้มันต้องตีคองร้องเป่ากันบอกกันบอกความรู้สึกตัวนะมันทำอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยทแล้วมันมีผลอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานมีพระจีน ไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อมเขียนผมราตมาก็นั่งอยู่กับหลวงพ่อกรมมีพระจีนสองรูปรูปหนึ่งก็พูดไทยได้เก่งดีเดียวตามถึงอารมณ์ปฏิบัติมันทีเป็นเกิดปีติเอื่อไว้ปีติ งพ่อบอกว่าเคยเป็นบางทีน้ำหูนตามันไหลเอปฏิบัติธรรมก็จะเจออารมณ์แบบนี้แนละ เ, เวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอาการของจิตของใจที่เกิดจากการปรุงการแต่งเ็าเรียกว่าตัวสังขารภาษาบาลนะีตัวสังขารคิดเป็นบุญกับปุญญาที่สังขาร คิดเป็นบุญคิแล้วมีความสุขคิละอิ่มคิดแล้วซาบซ่านคิดแล้วโรดลอยคิดแล้วก็มีความเบาเนื้อเบาตัวมีอาการเบาเนื้อเบาตัวในฝ่ายปุญญาธิสังขันท่านหนักคิดแล้วเบื่อคิดแล้วเซ็งคิดละท้อถอยคิดแล้หมดกําลังใจน คิดแล้วรู้สึกมันเป็นทุกข์เกิดความขัดแย้งอันนั้นเป็นอปุญญาติสังขารเกิดจากความไม่รู้กายไม่รู้กายไม่รู้ทันจิตใจไม่รู้ทันอารมณ์แต่ว่ามันเป็นอารมณ์ปฏิบัติที่ต้องผ่านหมายถึงว่ามันมาให้ดู ดูและเห็นเห็น้นไม่เข้าไปเป็นตามอารมณ์ของกรรมาฐานแต่ถ้ากำลังยังไม่มีให้กลับมาเจตนารู้สึกที่ฐานกายบางทีมันเกิดปัญญาขึ้นมามันไปรู้สมมุติมันรู้คนรู้ตนรู้ประมาณรู้กาละเทสะมันไปรู้ชุมชนต่างๆออก ไปแตะแตะแล้วหลงเลยไ ป, ไปคิดวิพาวิจารคิดวิตกวิจารคิดมันคือความคิดนะต้องกลับมาหาสัมผัสรู้ที่ฐานกายแกเป็นการแกอารมณ์ปฏิบัติแล้วก็ก็ถามว่าเวลาไดอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยต้อง เก็บเนื้อเก็บตัวหลบอยู่ตามกุฏิใช่ไหมหลว พ, พอตอบว่ามันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นอารมณ์ต่างๆที่มัำลังเกิดขึ้นมาเนะี่ยหมายถึงว่าเราสามารถที่จะรู้ได้รู้สึกตัวได้แล้วก็อยู่เหมือนกับสันโดษสงบเป็นปกติได้อันนี้จริง แต่ว่าถ้ามีคนรู้อารมณ์ปฏิบัติจริงๆนะีและอยู่เป็นเพื่อนนะให้เก็บอารมณ์รุ่ยไปเลยนะเหมือนสมัยหลวงปู่เทียนที่เคยได้ยินได้ฟังได้เห็นนะเก็บอารมณ์ปฏิบัติแต่ว่าต้องมีกา ร, รยาณมิตรหรือว่าครูบาอาจารย์ที่รู้จริงไม่งั้ น, ะนกลายเป็นออนแอไปเลยนะเก็บอารมณ์แล้วเจออารมณ์ไม่ได้เจอแล้วมันหลง ไปทำงานกันหลงมันจะหลงอารมณ์เราก็เลยต้องเรียกว่ากลับมาหาความรู้สึกตัวกันให้เป็นจะทั้งอยู่คนเดียวทั้งอยู่หลายคนทั้งรูแปแบบทั้งนอกรูแปแบบถ้ารู้แล้วเนะี่ยมันก็ไม่เกี่ยงแต่ถ้ายังไม่รู้นะีต้องเคลื่อนไหวรู้สึกให้มากแต่ว่าต้องมีการยานมิตร เพื่อให้เข้าถึงการกระธรรมจริงๆถ้าพอจับอารมณ์ความรู้สึกตัวได้มันอาจะแก้อารมณ์ตัวเองได้อย่างเช่นเคยฟังหลวงปู่เทียนติดอารมณ์ตอนกติดอารมณ์มานะเดินไปมันก็คิดไปพูดไปเทศไปพอไปอาบน้ำโอ้มันหายไปอารมณ์ที่มันเป็นอยู่มันหายไปมันเปลี่ยนไป บางทีก็มีปีติบางทีก็มีปสัสสตินะบางทีก็มีความสุขมันเป็นอารมณ์ปฏิบัติฝ่ายบุญยาธิสังขารฝ่ายบุญฝ่ายชวนธรรมก็เลยว่ามีวิชามันก็ต้องเกิดศรัทธาขึ้นมารู้รู้ถุงเกิดศรัทธาความเชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดจิตใจที่เรื่องๆกับการปฏิบัติจิตใจเป็นปราโมทย์นะเกิดเป็นระนาของ ตัวอิ่มอกอิ่มใจอยู่คนเดียวได้รอยโลดกลุ่มของปีติปัสสธินะกายเบาใจเบาสงบเลยครับอยู่กับตัวเองได้มีพลังมีพลังความเพียรมีความสุขจนกว่าจะเห็นว่าเออสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเกิดเรื่องมาว่านอนหลับตื่นม า, าหายไปไหนคืนสู่ปกติแล้ว หรือบางทีออกจากฐานออกมาเจอคนเอาหายไปไหนปกติแล้วเราก็ต้องสังเกตบางเป็นลนะัะของยัถาพุทธยานภาษาเขาเรียกมันเป็นญาณที่จะพาเราข้ามระหว่างปัตุชนปุตุชนกับอริยะเป็นลักนณะของมรรคผลมรรคผลมรรคผ ล, ผลอยู่ตรงนี้ด้วย ปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลอยู่ในตัวของมันเบ็ดเสร็จเพราะนั้นความเลือกตัวมันเป็นทุกอย่างถ้าทาเป็นจับได้มันก็ได้เงินมาล้วเงินนี้เป็นเงินที่ไม่ใช่เงินปลอมไม่ใช่เหรียญปลอมไม่ใช่แบงก์ปลอมอ่านออกเราก็เก็บหอมรอมริบอย่างดีพร้อมกับหาใหม่ไม่วมตะกาะของเก่าอยู่นั่งนับเงินเก่าเก่าอยู่ไม่ใช่ ต้องหาใหม่อยู่ตลอดเวลาถึงจะเป็นมหาเศรษฐีได้มหาสติก็เป็นอย่างนั้นมหาสตกิกลับมารู้กายเวลาจิตทำรู้สมมุติให้แจ้งแต่ว่าไม่หลงสมมุติอย่างเงี้ยรู้แบบมันมาให้ดูไม่ได้ไปนนขนไคยหาดูมันมาให้ดูหลวงพ่อก็ชอบเปรียบเทียบตรงนี้ว่ามันเรียงแถวมาให้ดูเดี๋ยเห็นหมด มันหลงก็รู้แล้วมันรล้ก็รู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วมันคิดก็รู้แล้วมันไม่คิดก็รู้แล้วมันเกิดอรอะไรขึ้นมาก็รู้จักรู้สึกตัวรู้สึกตัวในตัวนี้มันก็จะรู้จักอยากไปหาละเอียดต่กราทั่งหลวงพ่อบอกว่าท้ายสุดนันหมดคาพูดใหม่ๆมันมีคำพูดเรารู้ใหม่ๆมีรสชาติมาก นะมันบางทีเนะี่ยไปออกเผยแผ่เนะี่ยมันมันกล้าดันดีเดียวบางทีมีพระนั่งอยู่หลายรูปกินข้าวกันหกพระแกะ่ๆเท่าๆหลวงพ่อก็าบอกเป็นพระเป็นสัมปะนะเป็นพระแกะ่กินข้าวหกเรียลา พูดเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอตกเย็นก็เจ้าคณะจังหวัดเลยซึ่งเป็นอุปชาของหลวงพ่ออมเขียนพูดเรียกชื่อนะพระแก่ๆที่นั่งร่วมชันกับหลวงพ่ออมเขียนส่วนใหญ่เป็นเจ้าคณะจังหวัดหลายๆจังหวัดนรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ ทำไม่ได้เรื่องยศถาบรราศักดิ์เป็นภาพบทใหม่แต่ท่านเป็นสภาวะธรรมที่มันรู้ตามธรรมะตามภาวิในแล้วกล้แสดงออกมาแบบอาถารมันก็ไม่ได้เกงใจใครอยนะ้างนั้นแต่มันก็เป็นอารมณ์ท่านก็บอกว่าตอนหลังนี่นิ่งเลยตอนหลังนี่พูดไม่ออกหมดคำพูดจริงๆจะไปสอนบงเ บ, บงบงบงอย่างนั้นอย่างนีงนอนสอนไม่ได้ มันมีแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเมื่อหลายวันก่อนก็สังเกตเห็นเหมือนกันประธานมูลนิธิหลวงปู่เทียนมาที่นี่วันนั้นผมเลอตอมาก็หลวงพ่อก็นิมนต์แต่ว่านิมนต์แบบให้คิดตัวเองอ น, นะวิธีนิมนต์ของท่านก็คือขอพระสิบรูปแล้วก็องค์เทไปด้วยหนึ่งหนึ่งองค์ เอาไปโดยหนึ่งรูปไปที่บ้านพ่อแปะ๊ะท่านพูดอย่างเงี้ยท่านสั่งแบบมีบัญญาติกันี้ยอ้ยผมแรกมาก็ติดกลุ่มจริงๆกลุ่มมบปจรอึ่งมาสามวันเราก็ชั่งน้ําหนักตัวระหว่างคนหลายคนที่ตั้งใจมารีบัติแล้วก็มาถึงวัดระหว่างที่เราจะไปเทศอย่างเงี้ยเราก็ชั่งน้ําหนักแล้วก็เลือกไม่ไปกระบอกจานซุรินให้จัดพระไปทีหนึ่งให้มาหาหลวงพ่อ อาจารย์ทรงศิล์ก็เบี่ยงเบี่ยงแบนเบนไปนบ่อพระไม่มีเลยพระติดงานกันหมดเลยมีหน้าที่กันหมดเลยก็บอกว่าจัดให้หลวงพ่อทีหนึ่งตอกยําใหหลวงพ่อต้องการเนจัดให้เลยอันนี้สําคัญกว่าเอาไปามาก็นิมนต์กันไปแล้ว น, นิมนต์อาจารย์วชัยไปเทศอย่างงี้นะหลวงพ่อบอกเอาจารย์ทรงศิลป์ไปเทศ ผมหล้วผมรดมาบอกพ่อไม่ต้องะผมอยู่ที่นี้มีกลุ่มอยู่มีอจ อ, อยู่จาจาร้วชัยไปลพ่อบอกอาจารย์ทองอาจารย์ทองไปเทศนะอาจารย์ทองเป็นพระผู้ใหญ่เป็นประธานมูลนิธิหลวงปู่เทียนเกียรติโพวัดสนามในเจ้าสำนักวัดสนามใน ผมล่มาฟังท่านพูดนนะโอ้พระผู้ใหญ่นะเขาจะเหมือนนักเลงน้อยๆเวลาก็พูดจาโตอตอบก็ทันกันด้วยปัญญาเขาอยู่กันด้วยปัญญาจริงๆเขาบอกว่าโอ้ยผมเทศป่ะเป็นดอก่วลาฟังเทศเป็นมันเทศป่เป็นพยงงผู้อย่างนี้นิงนน่งก็ว่าตรงกับที่อาจารย์สนใจพูดว่า จันทองเนสมัยก่อนเทศเก่งมากก่อนที่จะรู้ธรรมะ ก, ก็ว่ากันว่าเทศเก่งมากแต่ตอนหลังเนี่ยมันมันเงียบมันนิ่งเลยนะย่งเงคือพูดไม่ออกนะเราได้ยินได้ฟังไงเราสังเกตโอ้มันก็มีนิมิตต่างๆที่มาบอกมาชี้นมาเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตบอกกับเราว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันมันไม่มีคำพูดอะไรมากนะ มันจะเทศได้จริงๆสั้นๆจะพูดได้ก็สั้นๆเพราะพูดทุกครั้งคือการคิดทุกครั้งยิ่งจํามาในจำไม่ได้ลหละจํายากมากสมองที่ใช้จดจํำแต่จะจําจริงๆก็จําได้แต่ก็ไม่พูดแบบนั้นอีกเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นประสบการณ์เวลาทบทวนร่องรอยของเราเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมา เ, เวลาพูดเวลาเทศนะเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ แต่ก็จะมีหลายคนหลายท่านที่ก็ฟังว่าเออไม่ฟังหรอกทำมาจากตัวเองที่คิดเอาพูดเอานะฟังจากพระพุทธเจ้าเนอะฟังจากพระโอษน์นั้นฟังจากพระไตรปิฎกนั้นทางอ้างพรไตรปิฎกเนี่ย น, น่าเชื่ออยู่อย่างเช่นไปงานศพงานหนึ่งเป็นอาแท้ๆของอาตมาหรือกระผมเนะี่ยที่กรุงเทพก็ไปเจอลุงนะพี่ของพ่อเนะีซึ่งเขาก็สนใจทำมา เวลาทำงานที่การท่าเรือก็จะเปิดวิทยุทรมาหน้าฟังอ่านหนังสือทำมาเวลาว่างก็เรียกเพื่อนๆก็ไม่มีใครคาะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็กินเหล้ า, มาเมายาเที่ยวเตะกั น, นพวกทางานการท่าเรือสวัสดิการมันดีลุงก็บอกว่าตอนที่เจอนะผมเนี่ยไม่ฟังธรรมะของใครทั้งนั้นนะฟังของพระเจ้าฟังของพระเจ้าอ่านจากหนังสือ ก็จะพูดพูดอาๆมาจากพระเจ้านะผมลำนาก็ไม่พูดหรอกกรณีนะ้จะให้มีความรู้สึกตัวนั่งเคลื่อนไหวยกมือโยกแยกโยกแกกอย่างเงี้ ย, ย, กกยมันพูดไม่ออกหรอกมันก็ยักหน้ารับรู้รับทราบไปนะก็เรียกว่าอยู่กับสมมุตินะก็ต้องรู้จักสมมุตินะอยู่กับคนก็รู้จักคนอยู่กับบริษัทก็ต้องรู้จักบริษัทนะ เรวู้อัฏฐะรู้ธรรมะรู้ตาตัวตนของเราคือรู้สึกตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำเป็นเข้าลองนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปของมันอยู่หรอกวิธีการใดรักษาจิตรักษากายเราไม่ให้มันทุกข์เนี่ยพอกายมันคือก้อนทุกข์เนี่ยทำใเห็นธรรมชาติของกายตามความเป็นจริงนั่งโดยจจนนอนกินกับไทาย ไม่รู้หนาไม่รู้ร้อนไม่รู้แก่รู้เจ็บรู้ตายนะมันก็ไปไม่รอหรอกชีวิตตอนยังประมาทกันอยู่นะประมาทอย่างเช่นเวลานี้หลายคนในวัดก็ยังหลับอยู่ก็ได้ไม่มาทําวัดไม่ไปร่วมกิจกรรมไม่ไปทำอะไรไม่ปฏิบัติไม่อะไรมันต้องนั่นก็ยังเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นอยู่นี่มันก็มีนะเราก็เป็นเพื่อนกันสร้างในมิตรหมามาทําวัดจวดมนต์กันอย่างนี้ ม่เกี่ย ก, กี่คนคนสองคนก็ทําวัดกันอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ทําอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างที่พูดสมัยก่อนอยู่คนสองค น, นอาจารย์ยูกิก็ไม่ชอบทบําวัดตอนเช้าผมร็มากรมาอยู่บางทีตอนเช้าๆเนี่ยตีของสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาเสียงค้อมันก็ดังแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมวันนี้เรานอนตื่นสายเพราะปกตินาฬิกาจิตมันจะปลุกอยู่แล้ว ประมาณตีสองตีสองครึ่งจะปลุกของมันทุกวันนะทุกคืนคราวนี้พอปลุกแล้วเราจะทําังไงต่อเราก็ปฏิบัติต่อต่อนั่งเล่นๆไปรู้เนื้อรู้ตัวไปพลิกมือเล่นๆไปในพ้าห่มอุตส่าอากาศมันหนาวอย่างเงี้ยอยู่ในผระห่มันก็อุ่นกับพลิกมือไปรู้สึกตัวไปถือว่าตื่นก่อนก็ได้เปรียบตื่นก่อนนอนทีหลังนะได้เปรียบมีเวลาทั้งวันนะ แต่ย่าไปยุ่งกับชุมชนไปยุ่งกับคนนันไมยอยากยุ่งความเู้สึกอยู่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์จริงๆแต่ไม่ใช่ติดส ง, งบแต่ว่าหมายถึงว่ามันได้ประโยชน์มันศึกษารายละเอียดเห็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปทราบซึ้งลงไปมันก็ได้เป็นการเดินทางชีวิตของเราบางทีก็ตีค้องดังแล้วก็ตื่นมาปรากฏว่าเขาก็บอกว่าที่ตีค้องเนี่ยไม่ได้เรียกมาทําวัด มาไดบอกว่ามาแถวบ้านน ะ, ต, ะตีครองเรียกหลวงพี่มาคุยกันเรียกว่าคุยกันตีสามคุยกันทําไมเมื่อวานว่าผมทําไมทําไมต้องว่าผมอย่างนั้นด้วยป้าผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่ว่าผมกําลังพาเน็ตไปทำปฏิบัติธรรมกันอยูท่ท่านมาขวางขวางท่านมาขวางทําไมก็เป็น ม, มีพระโลภศาสาอยู่นะ อยู่ๆ น, นักปฏิบัติเดินจงกรมเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับทันก็นมาเยืนฝา่งหน้าเลยแล้วก็ทำนิ้วแบบเปินอย่างเงี้ยนะทำเปินแล้วก็ยิงเขาปิวอย่างเงี้ยโยมอาจาว่าโอ้มีพาอย่างเงี้ยแล้วโยมก็จะศรัทธากันได้ไงนาะไอเราก็คนเดียวผ่านนักปฏิบัติปฏิบัติกันทีมันหลายหลายสิบคนอยู่ๆมาเป็นอาจารย์ใหญ่นะ มาสอนทำรร ม, มาแบบเนี้ยนะก็เลยไปต่อว่าเลยเดี๋ยวนั้นนหะครนี้ต่อว่าไม่ถูกจังหวะนะไม่เคยศึกษาเรื่องพระวินัยพระวินัยก็ว่ากันว่านะโอ้สมเด็จสัมมาวันเจ้าเนะี่ยเวลาจะบอกคนเนี่ยนะทลอดจังหวะกาและเทสะถ้าบอกแล้วเปลี่ยนทันทีท่านจะบอกทันทีนะถ้าบอกแล้วยังไม่เปลี่ยนนะท่านก็ยังไม่บอก ปล่อยให้ทุกข์ไปเองก่อนรับเวรรับกรรมไปเองก่อนนะพะทํายังไงมันก็ได้กรรมอย่างนั้นมีวิบากส่งผลแน่นอนเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเข้ากรรมฐานยากลงเราเข้าใจกันพอหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวบาบางทีก็บอกได้บางทีก็บอกไม่ได้มันไม่เหมือนกับบอกตัวเองบอกตัวเองนี่มันชัดดียะ บอกทันทีมันก็รู้ทันทีเปลี่ยนทันทีบางทีมันก็ค่อยเป็นค่อยไปบางอย่างก็แหมเชื้อมันหนาเหลือเกินบางอย่างเนี่ยโอ้ละยากจริงๆก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นไปอาศัยมาเสพตัวปิติเสพการทําดีกบเกลือนไปอย่างเป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยจะทํำยังไงเป็นคนโทสะเฉิตเงี้ยจะทํำยังไงเป็นนิสัยย่งเงี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกันทุกคนอ่ะนะอารมณ์ร้อน จะทำยังไงให้ใจเราเย็นอย่างงี้ยนะใจเราก็ว่างเราเย็นแล้วกันแล้วเย็นกว่าที่เราเคยเป็นปกติมั น, มนก็ยังร้อนกว่าคนอื่นนจะทํำยังไงต้องฝึกขูดเ้ากันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็ตักเตือนกันแล้วก็น้อมก็มาใส่ตนน้อมก็มาใส่ตอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวเมื่อก่อนต้องกดข่มเมื่อมีความโกรธอย่างเงี้ยนะก็ต้องสัพเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยเงี้ยต้องนึกถึงบทสวดบางทีพรกรอดขึ้นมาก็ต้องนึกถึงโอ้ยเขาก็เหมือนเราน่ะแหละเขาก็เป็นเหมือนที่เราเคยเป็นน่ะแหละเขาก็ไม่รู้เขาก็ต้องทําอย่างนี้ก็ต้องคิดอ้าวเป็นปัญญาอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยมันเป็นแล้วน่ะที่ว่าพอมารูปแป๊บเออหายไปเลยพอมันเกิดอะไรขึ้นแป๊บกลับมารู้สึกตัวอ้าวหายไปเลย ไม่ทันได้คิดอะไรหรอกกลับมาออกจากความคิดออกจากอารมณ์มารู้สึกตัวกายกันไว้ใจรู้นะอันนี้ยพิ่งได้แน่นอนหยาบที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือกลับมาหาฐานกายมันก็เลยแก้อารมณ์ได้ทุกอารมณ์นะั่นแหละจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมามันไม่ใช่ความรู้สึกนะมันไม่ใช่ความเป็นปกตินะพื้นฐานใครสัมผัสแล้วมันไม่ทิ้งหรอกตัวเนี้ย แล้วมันจะอดไม่ได้หรอกที่จะชวนกันทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญใหญ่มีอา น, นิสงส์ใหญ่เป็นเรื่องของพากันทําสิ่งเดียวกันจะร้อยคนพันคนจะกี่คนก็ตามมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอย่างนี้นะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของสันติสุขสันติภาพเกิดความสงบเย็นกันต่อไปต่างคนต่างก็ ไปทําหน้าที่เติมเต็มในจุดอ่อนต่างๆจุดอ่อนเนี่ยดีนะการที่เราอยู่ชุมชนองคอ์กรวัดบารามมันอยู่กับหลายคนนะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันทางด้านปัจจัยสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันไม่เหมือนกับโบราณที่พระเดินบิณาบาตหาอาหารมาเลี้ยงมันก็พอในเมืองนะเดินบิณาบาตหาอาหารมาเลี้ยงมันก็พอแต่วันเรามันไม่ใช่อย่างนั้น ชาวบ้านเขาก็ยากจนกันอยู่ใจถ้าเขาเหนียวกับข้าวก็ไม่มีเงพระก็อยู่ก็ไม่ได้หรอกทําไม่มีโรงครัวใหญ่ๆอย่ า, ยยางเงี้ยพระไม่มีทางอยู่ได้เลยเพอกี่ปีกี่ชาติที่ผ่านมาพระอยู่กันพอวอดอยากหน้าดําหน่อยกันหนีไปกันหมดแล้วผัพผูดเรื่องการปฏิบัตินากันหนีไปกันหมดแล้วตอนหลังมีโรงทานใหญ่ขึ้นมหเราอาหารก็ได้มาพระบุญด้วยนะเพราะว่าเออเขาเชื่อ ว, ว่าวัดนี้ เป็นวัดที่พระดีพระแท้อยู่กันเนยอะปู่ชนียาบุคคลมาอยู่กันศรัทธาเรื่อมใสก็ให้ของบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์เกิดอันนี้สงหญ่ขึ้นมาไม่ไม่ประมาณบุญไม่ประมาณเป็นเลิศกว้างขวา ง, วาง ก, าาก็เกิดทาหารขึ้นมาก็เก็บไว้ที่โรงครัวมาทํากันก็แบ่งปันกันไม่มีการกักตุนตัเนี้เราก็ได้ประโยชน์ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของญาติจโยมก็ก็ทําบุญทําทานตักแกร์ข้าวเหนียวข้าวสารพระหัวแถวถ้าบิณรบาตก็ได้ไปนะสามารถที่จะไปฉันเองได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเราก็ต้องบารวมกันเป็นลนักษณะของอายะสัมภารได้มาแล้วแบ่งปันได้มาแล้วแบ่งปันมันไม่ใช่เป็นเจ้าของไม่ได้ทําเพื่อตัวเองทีนี้เมื่อเรามีปัจจัยสี่ การนี้มันมีจุดอ่อนอยู่ก็ต่างคนต่างถนัดก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือกันบางคนก็ไปล้างห้องน้าเงียบๆบางคนก็ไปหอบกวาด ท, ทางเดินจงกรมหรือว่าศาลามมใดมุมนะึงบางคนก็ไปจัดอาสนะปว อ, อาสนะเก็บอาสนะดูแลทำความสะอาดบางคนก็ไปกวาดหลังคาดูแลราง น, าน้ำระบบน้ําระบบไฟ น, ะนันมันคือจุดอ่อนแล้วเราก็ไปเติมเต็มเหนะมือนกับถนอนเนี้ยด้านหน้านะ เมื่อก่อนมันเคยมีจุดอ่อนนาซาลาเนี่ยนะไม่อยู่ภาษาหนึ่งรนถะมาไม่ได้แล้วต้องกันนะ้นหน่อะรถเข้ารถออกไม่ได้ติดลมใส่กันไม่ไหวเลยเข็นกันลายไหนอะไรนะั่นะมากระจมมากระจมรถติดแต่ก็ได้เห็นวนะ่ามันมีจุดอ่อนก็เลยไปเอาหินมาใส่เลยอาจารย์วัดใจเขบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วครับใส่แล้วหายใส่แล้วหายผมอริธรรมากขาบอกว่ามันไม่ได้หายไปไหนมาหายก็จมดินอยู่ตรงนี้แหละ หน้ามาันเละมันก็แสดงว่าดินฐานมันยังไม่แน่นก็ไปเอามาใส่อีกสิทําไมจะต้องเสียดายทำไมเราก็ไปเอามาใส่เลยผมเริามาก็ออกเงินเลยนะใส่ให้ถนนหน้านะแล้วกลายเป็นถนนที่แข็งแรงที่สุดตอนหลังด้านหน้านี่ก็เพกเ ท, เทปูนให้นะเวลาหน้าปูนนั้นมันแฉะมากแล้วคนก็อยู่กันเลอะมากย่ำขึ้นย่าลงเราเห็นแล้วโอ้เนี่ย คนเดินมากระเละแทะย่าําคืนย่ำลมแล้วก็มาก็เป็นเถือกเลยเราก็มีสมองมีปัญญาแล้วก็เห็นจุดอ่อนถึงห้ามก็ไม่ฟังหรอกนะสลาเนี่ยที่ต่อเติมกมันมาถึงห้ามก็ไม่ฟังหรอกข่าวราษาอยากอยู่เงียบเงียบอยากอยู่สงบอยากอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเอะอะคนงานมารบกวนอย่างเงี้ยผมและธรรมาก็ไม่ฟังเพราะหลวงพ่อเขียนบอกเออถ้าเป็นหลวงพ่อเทียนอยู่ะหลวงพ่อเทียนจะพูดแล้วเนี่ยมันอยู่กันได้ยังไงเบียดเบียนกันหน้าด้วย พระก็แน่นจ้ะอันนี้ในช่วงที่เรานั่งช่วงเนี้เราก็ยกขึ้นมาละเดิมทีไม่มีในช่วงเนี้ผมก็ตัดสินใจทำภายในหนึ่งวันแหละยกมันขึ้นมาแล้วก็ขยายออกไปทันทีสิบกว่าวันต่อเติมไปทั้งให้ฝนตกก็ไม่ฟังหรอกฝนตกก็ห้ามาอยู่ฮะท้ายสุดก็ได้ประโยชน์ในบรรษานั้นถนนก็ดีขึ้นมาก่อนที่จะเป็นวันกรถินอย่างนี้นะ อันนี้อุปมาอุปไม้นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องการอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับสมมุติทำํำไงจะเปลี่ยนจากบาปเป็นบุญสิ่งไม่ดีให้มันดีขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนหมู่มากเรื่องในใจเราก็เหมือนกันเวลาเราเจอจุดอ่อนในการปฏิบัติเช่นมันเบื่อมขี้เกียจจุดอ่อนนึมันงงเหงาหานอนมันง่วงหัวทิ่หมหัวตํำนี่คือจุดอ่อนในชีวิตของเรานึ่ง จะแก้ไขยังไงความขี้เกียจขี้ค้านไม่ปฏิบัติไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นถูกในเรื่องของกายเพราะถ้าเราเห็นถูกเรื่องของกายกายคือก้อนทุกข์ใหญน้อยกันละส ก, กายยะทิฏฐิได้เราไม่สงสัยเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องสติมันก็ละในเรื่องของความเห็นวิจิกิชาพวกนี้มันเป็นลนักษณะของตีนตัปตาปรามาตรบรรละได มันไม่สงสัยเลยแล้วนะมันหายสงสัยไปเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการสู่มักสู่ผลสู่มักสู่ผลทุกครั้งที่มันรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลนะมักคือทางเดินสู่ความพ้นทุกข์ผลก็คือมันพ้นในระดับไหนแหละเคยร้อนสักร้อยมันเหลือสักห้าสิบไหมเคยร้อนสักร้อยมันเหลือยี่สิบไหมอย่างเงี้ยเคยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่กล้าหานไม่อาจหรอย่างที่ขาดอยู่ มันเป็นภพเป็นภูมิอสุรกายบายภูมิมันกล้ า, าหารขึ้นมาบ้างไหมในที่ประชุมชนในการถามตอบโรยังแอบกัดยังแอบนินทาอย่างเงี้ยมันเอากันรับหลังกันนะเนะพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มาเรื่องที่เราต้องชัดเจนเรื่องของความเป็นปกติเรื่องการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไดีวยว่าในรูปแบบการเคลื่อนไหวสิบสีจังหวัดแนวหลวงปู่เทียนจนเข้าถึงสภาวะของเหนือบเนเหนือบาศ ก็คือความคิดทั้งหมดน่ยมันคิดเป็นบุญความคิดทั้งหมดเน่ยมันคิดเป็นบาปมันคือตัวคิดนะแต่ถ้าเราเจตนาคิดอันนี้ไม่เป็นไรแต่ในขณะที่เราเคลื่อนมือสร้างจังหวะไม่ได้เจตนาคิดอย่างงี้ยจะทำยังไงก็ต้องกลับมาหาฐานกายหรือว่าเวลาเราเดินบินทบาทอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็เกิดใจโฟขึ้นมานะบินทบาทนี่เกิดอารมณ์โฟขึ้นง่ายมากผมกเมื่อเดินมาเป็นประจำํำนะเวลาเดินพิณทบาทเนี่ จะรู้สึกฟูขึ้นมานเวลาให้พรเห็นชาวบ้านเขายากจนก็ให้พรนะจิตใ จ, จมันจะฟูขึ้นมามก็ได้บุญเนาะ ก, ก็ได้บุญเนาะเราก็ได้อาหารเนาะได้อาหารเนาะบางทีเห็นพระอาทิตย์แดงๆได้ว่าหน้าหนาวที่ป่าสุตโตทนะมันแดงสวยเราก็ชอบวาดภาพอยู่ละนชอบงานศิละปะโอ้โหนี่ธรรมชาติมันว่าวาดมันระบายสีนะก้อนเมฆก็มีสีนั้นสีนี้สีนูน้นโอ้โหสุดยอดเนี่นยนะ มีเนินมีหมอกบางๆโอ้มันละลายเหมือนสีน้ําเลยมันระบายสีนะธรรมชาติมันระบายมันวาดได้เดี๋ยวภาพมันก็เปลี่ยนไปโอ้ยกลไกของมันไม่ต้องเปืองไฟเลยนะไม่ต้องไปหลีไฟไม่ต้องไปเพิ่มไฟแล้วโอ้ภาพมันสวยจริงๆโอ้โหใบไม้ไหวอย่างเงี้ยนะมันดูแล้วมันงดงามมากเดินโดยว่าเส้นวังเขนขึ้นลงเนินที่เจอเด็กก็ว่านมือโอ้โหมันสู้ซ่าทั้งตัวเลยโอ้นี่มันอารมณ์นี่นี่มันอารมณ์เนี่ย ภาษาลราตาไม่ทันอย่างงี้นะบางทีก็เดินมาข้ามน้าตกยกยกยกยอก่างเงี้ยบางีเดินมันมีเลนขี่เลนหน้าฝนนั่นละมัดระวังเนี้ยจิตมันอยู่กับตัวเลยไม่เห็นจิตวูบวากวูบ ว, วากเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเข้ามาประเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวไปติดกาลมเดี๋ยวกลับมารู้สึกที่ฐานกายประเดี๋ยวบางทีสติก็เด่นมาโอ้โหชัดเจนแล้วเกิดเราก็เอาประโยชน์อย่างเงี้ยแหละเพราะนั้นเราไม่ได้หลบอยู่ตรงไหนเราก็ทกํากิจวัตรประจําวันของเรเราเหมือนเดิม เราก็ทําดีกั น, นก็ถึงเรียกว่าทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเราก็ทํากันแล้วก็ในเวลานอกเวลาหรือว่าในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบในวัดนอกวัดอะไรก็ตามมันก็เป็นความรู้สึกตัว เ, เรียกว่าเก็บอารมณ์ถ้าเก็บอารมณ์เป็นมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะเปลีกวิเวกจริงๆก็บอกกันมีพระพี่เลี้ยงจริงๆ ที่เราศรัทธาคนนี้มันรู้จริงแล้วก็นิมนต์ท่านไปลนะเลยเดียว่าปาวรณาขอกันขอให้ไปบอกผมหน่อยเพราะถ้าขาดตัวนี้แล้วมันเสียเวลานานคลั่มก็อยู่น่นละนมันคลั่งเช่นผมเคยเจออยู่อารมณ์หนึ่งพอปฏิบัติไปแล้วเนะี่ยมีอยู่วันหนึ่งมันไม่อยากไปไหนเลยบันะบนั้นที่กุฎงวงก็มีงานศพนะพระตำรวจ รูปหนึ่งร้อยตีเรีย่ยมเป็นตำรวจกองปราบมาบวชอยู่ด้วยกันเป็นพ้าผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ไมมีใครบวชเดยอะอนั้นก็สนิทกันเราก็ชอบอยู่แล้วผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาพระครบมีตาดีไฟเดียวถ้าเขากับเด็กๆเดี๋ยวมันช่วยเราหลงเราก็ไม่อยากคขกับมันมันพาเราตกต่ําอับจนแต่ตอนหลังถ้าอารมณ์ดีๆก็อยากจะบอกอยากจะอยู่ถ้าเราเข้มแข็งภายในนะอยากจะอยู่ด้วยหลวงปู่เลียมเนี่ย หลวงปู่เลียมเนี่ยเป็นลักษณะของพระที่ท่านกิจกรรมก็ทำเก่งนะเป็นพระสวดสมองดีตอนแก่ในจามนได้หมดแล้วท่านก็สามารถที่จะเหมือนกับว่ามาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมเขียนได้เรียวกว่าครบทีเดียวผมเล่นมาก็ศรัทธาท่านทีนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านมานิมนต์ให้ไปงานศพ ทั้งๆที่ศรัทธาผมก็ไม่ทําตามวันนั้นนะผมศรัทธาไอ้ตัวหนึ่งมันเกิดขึ้นมาภายในเป็นอารมณ์ะที่เป็นความสงบะมันสงบแล้วก็รู้สึกว่ามันอิ่มมากๆมันทั้งอิ่มมันทั้งสงบมันทั้งเบาเนื้อเบาตัวมันทั้งมีความสุขอย่างนี้นะวันนั้นนี่ไปนั่งที่สลากลางน้ําแล้วก็ยกมือสิบสี่ว่าเดินจงกรมอยู่เสร็จแล้วมันปรากฏขึ้นมาตอนทําวัดเย็นมันก็มีอาการแบบอื้ม ทำไมวันนี้มันมีความสุขอย่างนี้อมารู้สึกวันนี้เนี่ยเรามีความสุขมากที่สุดเลยไม่มีใครมีความสุขเท่ากับเราเลยมันทั้งรินลินซาบซาดทั้งตัวแล้วก็เบานะความคิดหายไปทั้งหมดเลยขนาดนั้นเนี่มันมีตาอารมณ์ทีนี้ไม่รู้ใครเจิหรืเปล่าโยมะนะทีนี้วันนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกปฏิบัติธรรมแต่อันนี้เป็นการบรรลุธรรมเนี่ยโหแสดงว่าเราทําถึงแล้วเนี่ย ตอนนั้นมันกระิกแบบนี้พอตกเย็นไปทําวัดมันก็ยังคลายอยูอ่ไปนอนมันก็ยังค้างอยู่พอลุงลุงขึ้นเช้าทําวัดอย่างนี้นมันหายไปแล้วมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดาพอตกเย็นเนี่ยนะไปทําวัดวันนั้นไปทําวัดที่สลาน่ามันมีกลุ่มมาปฏิบัติ กลุ่มศึกษาแนวทางชีวิตของของคุณมนวิภานะวันนั้นก็ถามหลวงพ่อมเขียนหลวงพ่ อ, อครับเมื่อวานเนี่ยผมมีอารมณ์หนึ่งมันปรากฏขึ้นมามันเป็นลหณะที่ว่าผมสัมผัสถึงความสงบที่กายของผมผมสมมุติให้หัวสมองผมนักะโหลกของผมนัน ก, กลางกระหม่อมแล้วก็ตรงลงมา ลมหายใจผ่านแล้วก็ไปเจอมันมีอยู่ตําแหน่งหนึ่งมันว่างๆกลวงๆแล้วก็มันมีความสุขพมมาสัมผัสตัวนั้นมันมีความสุขมากเลยครับหลวงพ่อถามว่าดูมันอยู่ดูมันอยู่เห็นมันอยู่หรือว่าอยู่กับมันตอนนี้ผมดูมันอยู่ครับตอนที่มันเกิดขึ้นมาผมก็เข้าไปอยู่กับมัน แล้วก็มีลักษณะของอารมณ์ที่ผมจําได้ผมโดนมันอยู่ผมเห็นมันอยู่แต่ขนาดนี้มันหายไปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่ามันคือแปดสติภาษาที่เพู่ดคือแปสติแปสติแต่ว่าอาการเนี้ยมันก็เป็นอย่างที่เป็นนะ่ะผมนั่งมาก็เลยมันคือแปดสติเหอเนี้ย ภาษาพูดแต่ภาษาอาการเอ้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็จําได้มาถึงทุกวันเนี่ยมันก็เป็นอาการแบบนั้นมันมีก็มันอยู่เราจะหยิบมาใช้ต่อมาเวลามันมีมีอารมณ์ภายนอกมากๆมีอารมณ์ภายนอกมากวนมากๆเราบางทีเราก็หลบเข้ามากบดานอย่างนั้นนะมันมีที่อยู่ของมันเหมือนกันบางทีมันก็มันก็ว่าต้องวางนะต้องปล่อยเดินทาง มารับรู้อารมณ์ที่ําลังกรปากฏรูปแบบดูมันก็มีเพรามันเป็นสภาวะธรรมบางทีก็กลับมาหาฐานกายแล้วบางทีสติมันก็ดูกายอยู่บางทีสติมันก็ดูจิตบางทีจิตมันก็สอนจิตบางทีสติม like ันก็รู้สติอยู่และบางทีมันก็วางว่างไปเลยมันก็มีอาการเป็นขั้นเป็นตอนเป็ขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนตามําดับของมันมันก็เลยว่าโอ้มันเป็นอาการอย่างนั้น แล้วท้ายสุดหลวงพ่อก็มาเทรกอีกย้ำไว้ว่าบางทีสิ่งที่เราว่าใช่มันก็ไม่ใช่อย่างเช่นผมไปสรุปว่าใช่อาจมาไปสรุปว่าใช่เป็นอาการที่เหมือนกับว่ามันเข้าขัน้นของความรู้สึกตัวที่เต็มที่ที่ไหนได้มันเป็นแค่อารมณ์ที่มาให้เรารู้ให้เราดูที่ชื่อว่าอารมณ์ของปีติประสทธิสุขพวกนี้หมายให้เรารู้ให้เราดูไม่ให้เราหลงะ อะไรที่ว่าไม่ใช่มันก็ใช่ก็คือไอ้สิ่งที่เราไม่ใช่ความรู้สึกตัวเฉยๆซื่อๆเนี่ยเราว่าไม่ใช่พความจืดๆไม่อร่อยเรามองนะว่ามันธรรมดามากเลยมันคงไม่ใช่มั้งที่ไหนได้มันคือใช่อย่างะไรที่ว่าใช่มันคือไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่อาจจะใช่เพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะความรู้สึกตัวนะมันง่ายๆเตือนๆก็คือสัมผัสกระทบรู้สึกแล้วก็ผ่านเลยทันที รู้ปล่อยรู้วางไม่ว่าจะเกิดปิบติแบบขณะชั่วขณะหรือว่าเกิดเป็นพักๆหรือมันจะเกิดแบบโรดรอยแร้วมันจะเกิดแบบซาบสั้นน้าหูน้ําตาไหลมันจะเกิดแบบไหนก็ตามมันก็คือเป็นแค่อารมณ์ที่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายชวนทำแต่ว่าถ้าเราไปอยากได้อีกหลวงพ่อก็าพูดอีกถึงว่ามันคืออารมณ์ผีบ้าจกกบอารมณ์ผีบ้าจกกบ ก็คือมันผ่านไปอะไรไปล้วงมากินอีกทําไมเรากลับมาเอาตัวปัจจุบันขณะต่อไปเป็นปัจจุบันขณะย่างเมื่อวานเย็นอาจารย์โยกิทังก็พูดดีเหมือนกันทุกๆอารมณ์ก็เป็นปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นอารมณ์ปัจจุบันขณะที่มาให้เราดูให้เรารู้ให้เราเห็นแล้วก็ผ่านก็อิทธิภาผ่านคือเป็นตัวปัญญาที่รู้จักเราก็รู้สมมติฐานเรการเกิดขึ้นมามันคือความคิดการปรุงกันแต่งนั้นเลย ตัวสังขานั่นแหละเป็นทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็เปลี่ยนเป็นวิสังขานทันทีการไม่ปรุงไม่ปรุงวิสังขานวิมุตติเกิดขึ้นมาทุกครั้งหลังจากที่ไม่ปรุงทุกครั้งที่มันไม่ให้ราคาทุกครั้งที่มันเบื่อได้คลายจางในอารมณ์ที่ทําให้เรายึดแล้วก็เสียไปลำเวลามากนะอย่างเช่นตัวปิติหรือกลุ่มบนปุญญาที่สังขานั่นก็คืออารมณ์เทวดานะ หลวงพ่อพูดต่อว่าถ้ามีอารมณ์นี้มากๆเนะี่ยจะกลายเป็นตัววิปัสสนนะูวิปัสสนูนะอันนี้มันก็จริงนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอารมณ์ที่มันมันอยู่ในไขนะ่ที่ทําให้เราหลงชวนให้เราหลงนะได้ไง่ายมากนะหรือเรียกว่าความเมื่อสีขาวก็ว่าได้นะมันเป็นอารมณ์กลุ่มนะที่มันชวนให้เราไม่รู้สึกตัวเราท้ายสุดก็คือ มันเป็นอารมณ์สำหรอบถูกหวยคือถูกแล้วก็ใช้ถูกแล้วก็ใช้ถูกแล้วใช้ไม่ได้มาแบบฟลุกๆกันนะแต่ถ้ามันมาบ่อยๆแล้วรู้เท่ารู้ทันจนชำนาญอันนี้ดีมันเป็นมืออาชีพนกักกรรมฐานมืออาชีพมันก็รู้สมมติฐานของการเกิดเป็นตัวปัญญาแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ยึดรู้แล้วก็รู้สมมติฐานแล้วกเก็บไว้ตรงนั้นจัดระเบียบมันวันใดวันนึงต้องใช้ไปใช้มันอย่า <c oughs> งเช่นหลวงพ่อเคยพูดถึงเวลาเจ็บปวด เวลาป่วยเงี้ยนะอยู่ในห้อง IC ซนะียู่ะถ้าไม่มีตัวปีติมาหล่อเลี้ยงเนี่อยู่ยากเลยเพราะเวทนามันกล้ามากนะก็ต้องอาศัยปีติมาหล่อเลี้ยงนะอาศัยตัวหายตัวนะไม่เป็นอะไรกับอะไรมาหล่อเลี้ยงนะแต่ว่าจะเข้าถึงการหายตัวนี่มันก็ต้องมีปีติมาหล่อเลี้ยงก่อนอย่างเงี้ยเป็นะปต้นนะหรือว่าอารมณ์ทีนะ่มันเข้าถึงตัววิปัสสนก็คือมันเริ่มรู้รูป ร, รู้นามนะแต่ว่ายังเห็นความคิดไม่ชัดตรงนี้ มันก็จะเป็นลนักษณะของอารมณ์ที่มันเป็นลนักษณะอารมณ์หายเหยื่อเพราะว่าการพูดการคุยเนะี่ยมันตอกย้ารสชาติคือมันเกิดขึ้นมาครั้งเดียวมันผ่านไปมีรสชาติแต่ว่าการพูดแล้วตอกย้าการพูดแล้วตอกย้าการพูดมันทําให้เราเสพอารมณ์เนี้ยได้ต่อไปอีกยาวนานนะ มันพูดถึงความดีของเราเก่าๆที่เราเคยทำไงสมัยก่อนนะฉันเคยอย่างนั้นอย่างนี้มันมีความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็คือลระดับของกลุ่มที่เป็นอารมณ์วิปัสสนูทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ผิดเพราะมันเป็นดันลูนีของวิปัสนาญาณอารมณ์วิปัสสนูอารมณ์เบากายเบาใจอารมณ์ที่มีความสงบมีปิติรู้ว่าติดรู้ประคองรู้พวกนี้นะมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนูก็จําเป็นมันเป็นการเดินทางขั้นตอนหนึ่งระหว่างทาง เท่านั้นเองเมื่อเรารู้สึกตัวได้ชัดเป็นการเดินทางก็จะผ่านเร็วนะฐานกายเคลื่อนไหวใจรู้นะเพราะฉะนั้นเวลากิดอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาให้กลับมาหาฐานกายให้ไหวที่สุดนะแล้ววิธีแก้ก็คือทําให้เร็วขึ้นเพราะเวลาเรารู้สึกตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยความคิดมันแทรกไม่ได้เพราะนั้นเวลาท่านใดเห็นอาจารย์ยุกิท่านเคลื่อนไหวเร็วๆนะี่ย อย่าไปว่าท่านการเคลื่อนเร็วๆของท่านเนี่ยท่านกําลังไม่ให้ความคิดมันเข้ามาถ้าใครเคยผ่านอารมณ์ปฏิบัติมาแล้วจะรู้ชัดนะทำไมต้องทําอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ประมาณนี้ทําไมทําไมมันมีที่มาที่ไปทั้งหมดจิตมันทําใหนะ้ปฏิยาทางวาจาออกมาจิตทําให้ปฏิยาทางกายนะมันแสดงออกมานั้นการที่ท่านสั่งเร็วๆคือท่านให้สติมันเชื่อมโยงต่อนู่นของท่านแล้วดูลักวณนะการวางของท่านนะท่านทําเร็วแต่เบา ใจท่านเบาอยู่มันเบามันวางอยู่ภาวะของผู้ดูกายคือท่านพยายามให้รู้ทานความคิดที่เร็วที่สุดและความคิดเข้ามาให้น้อยที่สุดท่านจะต่อพื้นที่ข้างในของท่านให้เป็นแลน้วนะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วสารพรางกายแ ล, ะละ้วก็ระนาของเต็มพื้นที่ของจิตมีความเป็นปกติอยู่ในขณทีท่ท่านทําครึ่งชั่วโมงท่านก็จะทำของท่านเร็วๆอย่างงี้ยนะ เลย อ, อย่างคือลักษณะของสมาธิที่มันเกิดขึ้นมาสมาธิคือความตั้งมัน่นเมื่อท่านมีความตั้งมัน่นท่านก็จะมีความตั้งมั่นกับการเคลื่อนไหวของท่านก็เวลาสังเกตว่าทําวัดสวมดมนต์ท่านก็จะมาโทนสมาธิก็คือใช้เสียงกล้องและก็เสียงยานแต่าอาจารย์โยกีนําทํานะจะเป็นโทนสมาธิให้รู้จักกันไว้อย่างนี้นะจะได้สังเกตเป็น ถ้าเป็นลน้วนะของผมและธรร ม, มก็จะทําในโทนของการฝึกสติแต่ว่าจะใช้เสียงหลบมาแทนที่จะใช้เสียงสูงๆเสีย ง, ง, งนาสิกบนนี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นใส่นัดใส่นัดจมูกมันตันนะแล้วก็พอเราจะใช้ข้างบนปับ๊บเนี่ยเสียงมันจะออกมาไม่ได้มันต้องลงไปใช้เสียงในกล่องเสียงะไปเป็นเสียงที่เหมือนกับคนสูบบุรี่แล้วก็ถูกเจาะคอเพราะถูกเจาะค อ, อปั๊บก็ย้ายเสียงข้างบนไม่ได้เลย ก็จะต้องใช้เสียงในกล่องคอนะทําเป็นเสียงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะกำลังใช้เสียงในกล่องเสียงอยู่พอข้างบนนี่มันพูดไม่ได้เราก็รู้จักกายของเรารู้จักใช้คําพูดของเราเรารู้จักใช้จิตของเราคิดพูดทําอย่างงี้นะมันก็จะครบวงจรต่อไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พูดให้ฟังประมาณ4ี่สิบห้านาทีก็เพื่อเป็นส่วนประกอบกับชุมชนของเราที่มาทําวัดส่วนมนกันจํานวนน้อยๆนั่นนะ ให้เป็นเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติหนึ่งมาจากเราสนใจในการปฏิบัติอย่างพระจีนเนี่ยนะท่านตั้งใจามาปฏิบัติกนันอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่นึกถึงเรื่องสมมติบัญญัติอะไรกันมากจะ ใ, จใส่ชุดไหนจะทํายังไงรัที่นิกายอะไรไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเคลื่อนไหวรู้สึกหรือเปล่าไปทําตรงนี้กันได้มากไม่เกี่ยวขยโงกับพระเกี่ยวว่าเคลื่อนไหวรู้สึกกันมากน้อยเพียงใดในหนึ่งวันเนั่นนะ อันนี้เะนั้นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดก็จับสาละเรื่องของความรู้สึกตัวก็แล้วกันแล้วเรื่องอารมณ์ปฏิบัติที่จะต้องกลับมาหาความรู้สึกที่ฐานกายให้เป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นเราการที่เราประพฤติปรมจันย์ของเราทั้งหลายนะทางเดินปรมจันทร์ของเราทั้งหลายก็ไปสู่ความพ้นทุกข์ให้เข้าสูงส่วนสุดสุดท้ายนี้แปบก็คือระดับของมีกําลังกายกำลังวาจากําลังจิตใจนะ เลยเท่าหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเถิน